สำหรับคนสามัญทั่วไปศรัทธาเป็นธรรมขั้นต้นที่สำคัญยิ่งเป็นอุปกรณ์ชักนำให้เดินหน้าต่อไปเมื่อใช้ถูกต้องจึงเป็นการเริ่มต้นที่ดีทำให้การก้าวหน้าไปสู่จุดหมายได้ผลรวดเร็วขึ้นด้วยเหตุนี้จึงปรากฏว่าบางคราวผู้มีปัญญามากกว่าแต่ขาดความเชื่อมั่นกลับประสบความสำเร็จช้ากว่าผู้มีปัญญาด้อยกว่าแต่มีศรัทธาแรงกล้า เช่นกรณีของพระสารีบุตรซึ่งบรรลุธรรมช้ากว่าพระสาวกอื่นหลายท่านทั้งที่เป็นผู้มีปัญญามากในกรณีที่ศรัทธานั้นไปตรงกับสิ่งที่ถูกต้องแล้วจึงเป็นการทุ่นแรงทุ่นเวลาไปในตัวตรงกันข้ามถ้าศรัทธาเกิดในสิ่งที่ผิดก็เป็นการทำให้เขวยยิ่งหลงชักช้าหนักขึ้นไปอีกอย่างไรก็ดีศรัทธาในพุทธธรรม มีเหตุผลเป็นฐานรองรับมีปัญญาคอยควบคุมจึงยากที่จะผิดนอกจากพลนวิสัยจริงๆและก็สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ไม่ดิ่งไปในทางที่ผิดเพราะคอยรับรู้เหตุผลคน้นคว้าและทดลองอยู่ตลอดเวลาการขาดศรัทธาเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งซึ่งทำให้ชะงักไม่ก้าวหน้าต่อไปในทางดังพุทธพจน์ในเจโตขีรสูตร มัชฌิมนิกายมุลปันนาตว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปใดรูปหนึ่งยังสลัดทิ้งต่อในใจห้าอย่างไม่ได้ยังถอนสิ่งผูกรัดใจห้าอย่างไม่ได้ข้อที่ว่าภิกษุนั้นจักถึงความเจริญงอกงามไพ่บูรในธรรมวิไนนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ต่อในใจที่ภิกษุนั้นยังสลัดทิ้งไม่ได้คือหนึ่ง ภิกษุสงสัยเคลือบแคลงไม่ปรงใจไม่เลื่อมใสแนบสนิทในพระษาสดา2ภิกษุสงสัยเคลือบแคลงไม่โปรงใจไม่เลื่อมใสแนบสนิทในธรรม3ภิกษุสงสัยเคลือบแคลงไม่ปรงใจไม่เลื่อมใสแนบสนิทในสง4ี่ภิกษุสงสัย เคลือบแกลงไม่ปร่งใจไม่เลื่อมใสแนบสนิทในสิขา 5. ภิกษุโกรธเคืองน้อยใจมีจิตกระทบกระทั่งเกิดความกระด้างเหมือนเป็นต่อเกิดขึ้นในเพื่อนพรหมจันทร์จิตของพิษุผู้ยังสงสัยเคลือบแกลงไม่ปรงใจไม่เลื่อมใสแนบสนิทในพระศาสดาในธรรมในสง์ ในสิกขาโกรธเคืองน้อยใจมีจิตกระทบกระทั่งเกิดความกระด้างเหมือนเป็นต่อเกิดขึ้นในเพื่อนพรหมจันทร์ย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อความหมั่นฝึกฝนอบรมเพื่อความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อการลงมือทำความพยายามภิกษุผู้มีจิตที่ยังไม่น้อมไปเพื่อความเพียรชื่อว่ามีต่อในใจซึ่งยังสลัดทิ้งไม่ได้ โดยในยะนี้การขาดศรัทธามีความสงสัยแคลงใจไม่เชื่อมั่นจึงเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาปัญญาและการก้าวหน้าไปสู่จุดหมายสิ่งที่ต้องทำในกรณีนี้คือต้องปลูกศรัทธาและกำจัดความสงสัยแคลงใจแต่การปลูกศรัทธาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการยอมรับและมอบความไว้วางใจให้โดยไม่เคารพในคุณค่าแห่งปัญญาของตน แต่หมายถึงการคิดพิสูจน์ทดสอบด้วยปัญญาของตนให้เห็นเหตุผลชัดเจนจนมั่นใจหมดความลังเลสงสัยวิธีทดสอบนั้นนอกจากที่กล่าวในพุทธพจน์ตอนก่อนแล้วยังมีพุทธพจน์แสดงตัวอย่างการคิดสอบสวนก่อนที่จะเกิดศรัทธาอีกเช่นในข้อความต่อไปนี้ในวีมังสกสูตรมัชจิมานิกายมุลปันนาธ ซึ่งเป็นคำสอนให้คิดสอบสวนแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าเองดังต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ตรวจสอบเมื่อไม่รู้วิธีกำหนดวาระจิตของผู้อื่นพึงกระทาการพิจารณาตรวจสอบในตถาคตเพื่อทราบว่าพระองค์เป็นสัมมาสัมพุทธะหรือไม่ภิกษุผู้ตรวจสอบเมื่อไม่รู้วิธีกาหนดวาระจิตของผู้อื่น พึงพิจารณาตรวจสอบตถาคตในธรรมสองอย่างคือในสิ่งที่พึงรู้ได้ด้วยตาและหูว่าเท่าที่พึงรู้ได้ด้วยตาและหูทำที่เศร้าหมองมีแก่ตถาคตหรือหาไม่เมื่อเธอพิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นก็ทราบได้ว่าทำที่พึงรู้ได้ด้วยตาและหูที่เศร้าหมองของตถาคตไม่มีจากนั้น เธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่าเท่าที่พึงรู้ได้ด้วยตาและหูทำที่ชั่วบ้างดีบ้างปนปนกันไปมีแก่ตถาคตหรือหาไม่เมื่อเธอพิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นก็ทราบได้ว่าเท่าที่พึงรู้ได้ด้วยตาและหูทำที่ดีบ้างชั่วบ้างปนปนกันไปของตถาคตไม่มีจากนั้น เธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่าเท่าที่รู้ได้ด้วยตาและหูทำที่สะอาดหมดจดมีแก่ตถาคตหรือหาไม่เธอก็ทราบได้ว่าเท่าที่รู้ได้ด้วยตาและหูทำที่สะอาดหมดจดของตถาคตมีอยู่จากนั้นเธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่าท่านผู้นี้ ประกอบพร้อมบูร์ซึ่งกุศลธรรมนี้ตลอดการยาวนานหรือประกอบชั่วเวลานิดหน่อยเธอก็ทราบได้ว่าท่านผู้นี้ประกอบพร้อมบูร์ซึ่งกุศลธรรมนี้ตลอดการยาวนานไม่ใช่ประกอบชั่วเวลานิดหน่อยจากนั้นเธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่าท่านภิกษุผู้นี้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศแล้ว ปรากฏข้อเสียหายบางอย่างบ้างหรือไม่เพราะว่าภ um> um, ิกษุบางท่านยังไม่ปรากฏมีข้อเสียหายบางอย่างจนกว่าจะเป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศต่อเมื่อใดเป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเมื่อนั้นจึงปรากฏมีข้อเสียหายบางอย่างเธอก็ทราบได้ว่าท่านภิกษุผู้นี้เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศแล้ว ก็ไม่ปรากฏมีข้อเสียหายบางอย่างเช่นนั้นจากนั้นเธอก็พิจารณาตรวจสอบตถาครนั้นให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่าท่านผู้นี้เป็นผู้งดเว้นอัติศลโดยไม่มีความกลัวไม่ใช่ผู้งดเว้นเพราะกลัวไม่เสวนาการทั้งหลายก็เพราะปราศจากราคะเพราะหมดสิ้นราคะหรือหาไม่เธอก็ทราบได้ว่าท่านผู้นี้ เป็นผู้งดเว้นโดยไม่มีความกลัวม่ใช่ผู้งดเว้นเพราะกลัวไม่เสวนาการทั้งหลายก็เพราะปราศจากราคะเพราะหมดราคะหากมีผู้อื่นถามพิสุนั้นว่าท่านมีเหตุผลอย่างทราบได้อย่างไรจึงทำให้กล่าวได้ว่าท่านผู้นี้เป็นผู้งดเว้นโดยไม่มีความกลัวมิใช่ผู้งดเว้นเพราะกลัวไม่เสวนาการทั้งหลายก็เพราะปราศจากราคะ หมดราคาภิกษุเมื่อจะตอบแก้ให้ถูกต้องพึงตอบแก้ว่าจริงอย่างนั้นท่านผู้นี้เมื่ออยู่ในหมู่ก็ตามอยู่ลำพังผู้เดียวก็ตามในที่นั้นๆผู้ใดจะปฏิบัติตนได้ดีก็ตามจะปฏิบัติตนไม่ดีก็ตามจะเป็นผู้ปกครองหมู่คณะก็ตามจะเป็นบางคนที่ติดวุ่นอยู่ในอามิ t h ก็ตาม จะเป็นบางคนที่ไม่ติดด้วยอามิตรก็ตามท่านผู้นี้ไม่ดูหมิ่นคนนั้นๆเพราะเหตุนั้นๆเลยข้าพเจ้าได้สดับได้รับฟังถ้อยคำมาจมเพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคทีเดียวว่าเราเป็นผู้งดเว้นโดยไม่มีความกลัวเราไม่ใช่ผู้งดเว้นเพราะกลัวเราไม่เสวนาการรมทั้งหลายก็เพราะปราศจากราคะเพราะหมดราคะ ภิกษุทั้งหลายในกรณีนั้นพึงสอบถามตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่าเท่าที่รู้ได้ด้วยตาและหูทำที่เศร้าหมองมีแกตถาคตหรือหาไม่ตถาคตเมื่อตอบแกก็จะตอบแกว่าไม่มีถามว่าทำที่ดีบ้างชั่วบ้างปนปนกันไปมีแกตถาคตหรือหาไม่ ตถาคตเมื่อตอบแก่ก็จะตอบแก่ว่าไม่มีถามว่าทำที่สะอาดหมดจดมีแก่ตะถาคตหรือหาไม่ตถาคตเมื่อตอบแก่ก็จะตอบว่ามีเรามีธรรมที่สะอาดหมดจดนั้นเป็นทางดําเนินและเราจะเป็นผู้มีตัณหาเพราะเหตุนั้นก็หาไม่ศา ส, สดาผู้กล่าวได้อย่างนี้แล สาวกจึงควรเข้าไปหาเพื่อสดับธรรมศาสดาย่อมแสดงธรรมแก่สาวกนั้นสูงยิ่งขึ้นไปสูงยิ่งขึ้นไปประณีตขึ้นไปประนีดขึ้นไ ป, ป, นนไปทั้งธรรมดำธรรมขาวเปรียบเทียบให้เห็นตรงกันข้ามศาสด า, สดาแสดงธรรมแก่ภิกษุอย่างใดอย่างใดภิกษุนั้นรู้ยิ่งธรรมบางอย่างในธรรมนั้นอย่างนั้นนั้นแล้ว ย่อมถึงความตกลงใจในธรรมทั้งหลายย่อมเลื่อมใสในสาศาสดาว่าพระผู้มีพระภาคเป็นสัมมาสัมพุทธะธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีหากจะมีผู้อื่นถามภิกษุนั้นต่อไปอีกว่าท่านมีเหตุผลอย่างทราบได้อย่างไรจึงทำให้กล่าวได้ว่าพระผู้มีพระภาคเป็นสัมมาสัมพุทธะธรรม อันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีภิกษุนั้นเมื่อจะตอบให้ถูกก็พึงตอบว่าข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพื่อฟังธรรมพระองค์ทรงแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าพระองค์แสดงอย่างใดอย่างใดข้าพเจ้ารู้ยิ่งอย่างนั้นอย่างนั้นจึงถึงความตกลงใจในธรรมทั้งหลาย จึงเลื่อมใสในพระศาสดาพิสุทั้งหลายศรัท ธ, ธาของบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งฝังลงในตถาคตเกิดเป็นเขามูลเป็นพื้นฐานที่ตั้งโดยอาการเหล่านี้โดยบทเหล่านี้โดยพยัญชนะเหล่านี้เรียกว่าอาการวติศรัท ธ, ธาที่มีเหตุผลทัศน์มูลิกามีการเห็นเป็นมูลฐานมั่นคง อันสมณะหรือพราหมณ์หรือเท พ, พเจ้าหรือมารหรือพรมหรือใครๆในโลกให้คลาดเคลื่อนไม่ได้การพิจารณาตรวจสอบธรรมในตถาคตเป็นอย่างนี้แหลและตถาคตย่อมเป็นอันได้รับการพิจารณาตรวจสอบดีแล้วโดยในยะนี้เพิ่งสังเกตว่าแม้แต่ข้อสงสัยเคลือบแคลงในพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ถูกถือว่าเป็นบาป หรือความชั่วเลยถือว่าเป็นเพียงสิ่งที่จะต้องแก้ไขให้รู้แน่ชัดลงไปจนหมดสงสัยด้วยวิธีการแห่งปัญญาและยังส่งเสริมให้ใช้ความคิดสอบสวนพิจารณาตรวจสอบอีกด้วย